อย id um, ู่ท hmm. ี่วัดเลยมาทักท uh, ี่วัดเลยกี่วันมาสี uh, ่ว yeah, ันสี no. ่วันจะเป็นแบ่่วทิ้งเทพาหลวงพ่อมาเจ็ดวันค่ะที่นี้ลับแล้วค่ะอแรงค่ะอนรกมเยี่มบ้านเนี่ยมาเยีมบ้านเนีนแรกเมนออกไปก้างออกไปก้างเม มาจากปลอรแรงมาจากขอนระอนแรงอรเ อ, อ, รรอเท่าปลอดแรงอืลอดแรงอ่าดัมเหมาเยี่ยมบ้านเหรอมาทุกปีอ่ะ ม, ม, มาทุกปีเลยเหอแต่มาด้วยว่ะ บานเดิมนี่นะอล้วมาอยู่วันะานทเขางนเางานทำให้เงานทำหเานท้เขางานทำใหนานนเ้าข้นานเนาน้ คนดีเวลาตายไปก็คิดคนเขาเป็นผู้ถือคนไม่ดีตายไปก็ไม่มีใครช่ดถึอเราอยากย้าเขาคนอื่นรั ก, กเราเราก็ต้องทำตัวให้ดีถ้าเราทำตัวดีขเขาพระักเราถ้าเราทำตัวไม่ดีขเขาก็เปลียนเราอยู่ที่ตัวเรา คนจะชอบเราเมื่เกลี่ยนาอยูที่การกระทำของเราถ้าเอาถ้าเอาแต่ใจเราเราก็จะเป็นคนไม่ดีเราอยู่ในเรื่องนี้มันต้องอยู่กับคนอื่นคนหนึ่งก็ก็มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันถ้าจะเอาแต่ให้เขาเอาใจเราเราไม่เอาใจเขา <c oughs> เขาก็เขาก็อยู่กเรา แตถ้าเราใจเขาเขาก็จะไม่เหือแล้วเขาก็จะรักเราอยากให้คนเหมือนเขารักเราเราก็ต้องเอาใจเข า, าเอาใจเราแล้ ว, ลวให้เขารักเรานี่มันเง็นไปไม่ได้ ม, มันต้องรักกันไปซื้อของก็ต้องให้เงินเขาก็ถึงย่าให้ของมัย ทำให้เงินเขาเขาก็ไม่ให้ของหรอกอยากจะให้ใครเขารักเราแล้วเอาใจเขาเขาก็จะรักเราเคล็ดลับของชีวิตยอยู่แค่ตรง น, นี้คนที่อยู่กันอยู่กันไม่เป็นสุขก็เพราะว่าไม่เอาใจกันเอาใจตัวเอง ถ้าต่างคนต่างเอาใจคนอื่นมันก็อยู่กัอย่างมีความสุขการเอาใจกันนี้เรียกว่าเรียกเมตตาที่เราสวนแผ่เมตตาสัตย์เตสัตย์ใจก็สอนให้เราเอาใจคนอื่นไม่ใช่เอาใจตัวเร า, าการเอาใจตัวเรานี่เรียกว่าไม่เมตตาเห็นแก่ตัว เอาใจคนอนนื่นนี่แสดงว่าเมตตาอยากให้เขามีความสุขเนี่ยก็อเอาใจเขาพระพุทเจ้าบอกคนที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์พระเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองจะมีมนุษย์คุ้มครองจะไม่มีใครเกี่ยวข้อแล้วก็จะไม่ตายด้วยยาคิด ไม่ตายด้วยอาวุธเป็นนีดปืนก็จะไม่มีใครเข้ามาฆ่าหรอกจะอยู่อย่างมีความสุขสุขทั้งหลับและสุขทั้งตื่นนอนหลับ ก, ก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายตายไปก็ไปสู่สุขคติ ไม่ไปเกิดในอบายนี่ที่มาถือศีลมาทำบุญนี่ก็เพื่อให้เกิดความเมตตาใจทำบุญใส่บาตพระเอาใจพระให้พระมีข้าวสินรักษาศีลก็จะได้ไม่ไปด่าคนนั้นดาน่าคนนี้ไปทุบไปตีคนนั้นคนนี้ไปทำร้ายเขง เราต้องเข้าใจว่าเราทำบุญเพื่ออะไรรักษาศีลเพื่ออะไรทีเราไม่รู้เขาบอกให้รักษาก็รักษาไปพ อ, อถึงเวลากดก็ด่าไปเลย <c oughs> ทำบุญก็บางทีก็ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรทำไปนะก็าบอกให้ทำก็ทำทำก็เป็นบุญบุญก็คือความสุขไงความสุขใจ เวลาเอาใจคนอื่นนี่ก็ถือว่าเราทำบุญแล้วเอาใจแม่เอาใจพ่อเอาใจแฟนเอาใจลูกแต่ต้องเอาใจแบบไม่ไม่เสียหายถ้าสิ่งที่เขาอยากได้ที่มันผิดกฎหมายผิดศีลผิดทรรก็อย่าไปเอาใจเขาเขาอยากจะกินเหล้าก็อย่าไปซื้อเหล้ามาให้เขาเดื ต้องเอาใจในในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์จะเอาใจในสิ่งที่ไม่มีมเป็นโทษก็ได้แต่มันจะเกิดโทษกับเขาถึงเขาอยากจะกินเล่าก็หาเล่ามาให้เขากินเขาอยากจะเสพยาเสพติดก็หายาเสพติดมาให้เขาเสพเขาก็จะลากเรา แต่พระจะตายก่อนการทำบุญก็เหีือนใส่บาตพระก็ต้องเลือกใส่ของที่ควรใส่ของที่ไม่ควรใส่ก็อย่าใส่เช่นไม่ควรใส่บริไม่ควรใส่เหล้ามไม่ควรใส่ของดิบเช่นเนื้อ ที่ยังไม่สุก ข, ของที่ยังไม่ทันของวันนี้ใส่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะผ้าไม่มีครัวพราไม่ได้ทำอาคิไม่ได้ทํากับข้าวกับปลาที่ยอมมาอยู่กันนี้ข้ามามาหมาหเอาใจคนอื่นนะก็จะได้กลับบ้านแล้วจะได้ไป ไปเอาใจคนที่บ้านแล้วจะอยู่กันยังมีความสุขที่ทะเละกันเพราะว่าต่างคนต่างเอาใจตัวเองเขาจะเอาอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนี้ก็เลยทะเละกันเขาจะเอาอย่างไงก็เอาเอาไปกับเขามันก็จบ <c oughs> คนที่บ้านกับเราก็เป็นเหมือนอคนคนเดียวกัน ถ้าต่างคนต่างไปมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หลางคนต่างเอาใจตัวเองก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าจะอยู่ร่วมกันก็ต้องไปด้วยกันเขาจะไปไหนก็เอาเขาจะทำอะไรก็เอาเดี๋ยวเราจะทำอะไรเขาก็จะทำกับเราถ้าเราเอาใจเขาเดี๋ยวเขาก็จะเอาใจเราแต่ถ้าเราไม่เอาใจเราเลยได้ยิ่งดี อยู่กับใครก็ได้ปัญหาที่เราอยู่กับคนอื่นไม่ได้เพราะเราชอบเอาใจเรามากกว่าเอาใจคนอื่นถ้าอยากจะอยู่กับคนอื่นก็ต้องเอาใจคนอื่นอย่าเอาใจเราเราจะมีความสุขมากกว่าเอาใจเราเอาใจเราอาจจะได้ทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากแต่ทาไปแล้วก็ทานะั้น มันไม่ได้สุขเหมือนกับเอาใจคนอื่น mm. การเสียสละเนี่ยเป็นความสุขเป็นบุญอใหญ่เสียสละแปลว่าจาคะ mm. อ่ายง่ายหยิเเบเล่นมาอยากกินเชฟอยากมากราบหลวอพ่ อ, อ แค่เวลาดิมอยากเพิ <hy sign aw vraag> ่มหน่อยเราไปราไชวนเขามีใครอยาตัวบถามอะไรแห้วรับมีแต่ทาบุญให้แฟนก็เอาใจเขาเขาไปแล้วยังเอาใจเขาอยู่ Mm hmm. ยังไม่ทอดทิ้งเขาเราทาไว้เผื่อเขาเผื่อเขารอเราอยู่รอรับสิ่งต่างๆรัเรอหลวงพ่อครับจิตที่สงบแล้วอะ่ะแต่นั่งแล้วมันสงบแต่มันไม่ไปต่อท<ม>ํายังไงให้มันไปต่อมันจะไปไหนอนะสงบก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว mm hmm. ก็นั่งให้มันสงบมันจะไปไหนอนะ มันมันไม่ไปลึกไปกว่านั้นแล้วหรอคะถ้ามันสงบแล้วก็พอแล้วจะไปถึงไหนเราจะไปไหนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันน่ามันน่าจะลงลึกได้กว่านี้นะคะก็แสดงว่ามันยังไม่สงบเต็มที่ก็ต้องนั่งต่อไปพุทโธต่อไปแล้วเจริญสติต่อไป เวลานั่งหนูใช่อะไรล่ะพูดโทรศัพท์ก็พูดโทรศัพท์ไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่รวมมันก็ก็ต้องพูดโทรศัพไปใครรวมมันยังตกหลุมตกบ่อวูบลงไปแล้วเย็นสบายมีความสุขมหศัศจรรย์ใ จ, จคือบางทีนั่งแล้วมันสว่างแต่บางทีก็ไม่สว่างสว่างไม่ใช่สว่างเอไม่ได้เนีไม่ใช่เนีไม่ใช่ความสว่าง คามสงบนี้ต้องว่างไม่มีอะไรเหลืออยู่เหมือนอยู่ในอวกาศแล้วใจจะเบา อ, อกเบาใจจะมีความรู้สึกแต่ประหลาดมหาศักดิ์ใจถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแต่อย่าไปคิดถึงจุดนั้นเวลาพุทโธให้ผู้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดว่าเมาื่อไหร่จะวูบเมื่อไหร่จะถึงจุดนั้นถ้าคิดแล้วมันจะไม่ถึงมันต้องคิดอยู่ําพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าทําพุโทโธเพื่ออะไรมันเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปตอกหลุมที่เขาเขาขุดไว้ก็ตอกวูบตกไปเลยถ้าคอยจ้องนี่มันจะไม่ดง นานมานานแล้วค่ะคือหนูทรมานาแล้วว่าขาดหลวงพ่อแต่ว่าหนูสวดหนูหนักสวดม น, หนูหนูสวดมน์เดยอะทามาเป็นสิบปีแล้วแต่หนักสวดมน์สวดมน์ก็เป็นขั้นต้นเป็นขั้นเตรียมใจให้มีสติพอมีสติแล้วก็ต้องพุโทโธอย่างเดียวหรือดูลมอย่างเดียวถ้ามันยังสวดอยู่ใจมันยังคิดอยู่ คิดยาวุูดโทนนี้มันมันคิดสั้นคิดคำเดียวนี้หมอนก็จะรวมได้หรือดูลมหายใจเข้าออกก็ต้องทำต่อไปแสดงว่ายังไม่สงบถึงถึงท่านที่มันเต็มที่ขั้นที่หนึ่งเขาเรียกวิตกวิจาร เวลาสวดวนนี้ก็เรียกวิตกวิจารหรือพุทโธพุทโธนี้ก็เรียกวิตกวิจารวิตกแปลว่าตึกวิจารณ์แปลว่าตรองตรึก็คือนึกถึงคําว่าพุทโธจองก็ให้รู้ว่ากําลังพุทโธอยู่ตรองวิตกวิจารแล้าเดี๋อวก็จะเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาแล้วต่อไปวิตกวิจาร์ก็จะหายไป ก็หลือ่ปิติลต่สุขต่อไปปิติก็หายไปเหลือแต่สุขกูเบิดขาแล้วขั้นที่สี่ก็สุขก็หายไปเหลือแต่กูเบกดขาว่างแต่ว่างแบบนี้ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ได้เหมือนกับความสุขที่ที่ได้ก่อนหน้านี้อันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากความ ความว่างร็งทาไปเรื่อยๆพูดโทรไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้ายังพูดโทรได้อย่าหยุดถ้ายังพูดโทรได้ก็แสดงว่ายังไม่ถึงถ้ามันพูดโทรไม่ได้แล้วมันก็ถึงมล้ถึงพอมันถึงจุดนั้นแล้วมันจะหยุดไปเองพูดโทร ใครอยก็ะถามอะไรไหมไม่มีมีอะไรไหดัครับอย่ า, างอันนี้มีแล้รบไม่มีเเดี๋ยวหลังปีใหม่มาอยู่ที่นี่มาปฏิบัติธรรมแล้วเดี๋ยวมีแล้วจะมาเรียนถามโอกาสครับเรา ม, มาคนเดียวนะไม่รั บ, รบไม่รับสายคนเพราะมนที่มันน้อยคครับ ม า, มาแล้วคนแล้าเดี๋ยวมันจะจับกลุ่มกันครับมาคนเดียวก็คุยกับอาจารย์ที่ท่านสิงคโปร์นะธรรมชาติของคนนี้พอ ม, ม, มาด้วยกันเดี๋ยวมันจะเกาะคุยกันแทนที่จะมานั่งสมาธิมา <c oughs> นั่งเดี๋ยวเดียวมันเบื่อแล้วเดี๋ยวมันก็ไป <c oughs> ไปจับกลุ่คุยกันครับ <c oughs> อะไเสียเวลามาแล้วไม่ได้มานั่งมาคุยกันการการจะนั่งสมาธิได้ผลต้องเิกวิเวกไม่คลุกคลีกันเอกวิเวกก็มาหาที่ที่สงบ่างกายจากแสงสีเสียงแล้วก็ไม่มาคุยกัน ให้มันจาบกลุมคุยกันแม่มาสังสั ง, ส, ง, ส, งสังคมกันล <c oughs> องลองคิดไปทางปัญญามั้งว่า คือคือบทหูจะสวดมนต์อยู่สามบทที่เป็นหลักอาิตยปิอาิตยสูตรอนัตตลกนณสูตรแต่ธรรมจักแต่ว่าหลังๆเนี่ยเวลาสวดอธิตยลักสูตรต่อธิตยสูตรเนี่ยมันมันมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าอย่างเรื่องเรื่องของกายะตนะกายตนะทั้ง6 มันมันมันเข้าใจเองตั้งน้่มีสวดมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกอะไระแต่ระยะหลังๆมันเริ่มมันเริ่มรู้สึกเริ่มเข้าใจกับกับในในบทส ว, วดทั้งหม ด, ดะ น, นะคะใ่สวดโดยที่เข้าใจเองแล้วว่าไ ป, ไปอ่านคำแปลดู อ่านมันแรกแรกหนูอ่านแรกแรกหนูยอมรับ ว, ว่าหนูหนูก็อ่านแต่หนูก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันมากแต่มันมันหลังหลังมันมันรู้สึกว่ามันมันเริ่มมันเริ่มเข้าใจอ่ะค่ะหลวงพ่อคือตอนต้นก็ต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องรู้ว่าเรากําลั ง, งสวดอะไรอยู่ถ้าสวดภาษาบาลีเราก็ไม่เข้าใจความหมายเราก็ต้องไปดูคําแปลเพราคําแปลนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า นี่ท่านท่านสอนในภาษาบาลีเราก็ต้องดูคำแปลที่เป็นภาษาของเราดูแลเราจะได้เข้าใจความหมายว่าเรากำลังสวดอะไรความจริงเราควรจะสวดภาษาของเราดีๆดีกว่าเราจะได้จำได้เข้าใจความหมายได้สวดบาลีแล้วก็เหมือนสวดไปแบบ นกแก้วไม่มีไม่รู้ความหมายของมันแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอให้แก้วมันก็เคลียร์ทิ้งพอไข่กล้วยมันก็ความมาัคือการสวดนี้ความจริงมันสวดเดินทีมันเป็นการสวดเพื่ อ, อเขา้าเรื่อนอะไรนะเพื่อรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้พระที่บวชนี้ท่องกันจํากันไว้แล้วสมัยก่อนไม่มีหนังสือไม่มีคนไม่คนไม่ได้อ่านออกเสียนได้คนจะอาศัยความจําเป็นหลักอะไรการสวดหรือท่องคาท่องคําสอนของพระเจ้าเพื่อให้จดจําได้มันก็เป็นอุบายของการทําสมาธิอย่างแล้วก็เป็นอุบายของการเจริญปัญญาด้วย เพราะว่าเราจะได้เขารู้ว่าพระเจ้าสอนให้เราทำอะไรอรทิฏยาสูตรท่านบอกว่าตาหูจมูกนิ้งกายเป็นไฟเ่งนี้นะใช่ค่ะรูกเสียงกินรสเป็นไฟอ่งนี้ะไฟอะไรไฟราคะไฟโทสะ ไ, ไฟโมหะมหเวลาเราตาเราเห็นอะไรนี่มันร้อนเป็นไฟขึ้นมาหรือป่ะ โลภพอโลภ ก, ก็ร้อนขึ้นมาแล้วใช่ไพออยากได้ก็ร้อนพอโกรธก็ร้อนพอหลงก็ร้อนเนี่ยท่านสอนให้เรารู้ว่ามันเป็นไฟมันทําให้ใจเราร้อนและวิธีที่จะดับมันก็เราต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันจะดีไงเดี๋ยวมันก็จบ เห็นคนแล้วอยากได้เข้ามาเป็นแฟนเราได้มาแล้วเดี๋ยวเขาก็ตายจากเราไปเราก็ตายจากเราไปก็เป็นไฟขึ้นใหม่ทุกข์เยได้อะไรมาก็ต้องมีวันต้องเสียไปถ้าไม่เสียไปเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปอยากดีกลายเป็นไม่ดีก็ได้เช่น อ, อาหารซื้อมานี้ ถ้าเดี๋ยวไม่ได้กินไม่ได้เก็บไม่ได้ตัวเย็นเดี๋ยวมันก็บูดแล้วครับของทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันมีเสื่อมได้มาแล้วก็ต้องเสื่อมเปลี่ยนไปหมดไปหมดไปก็ทุกต้องไปหามาใหม่พอหมดก็เกิดความโลภใหม่ความอยาก เร อ, อยากก็ต้องไปหามาเฉนั้นให้หยุดการหาราบเยอะหยุดการหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหรือทมอารมณ์มันมีอยู่หกอันใช่ไหมอายตนะทั้งหกใช่ไหม <c oughs> ตาหูจมูกลิ้นกายกับใจอันนี้เป็นที่ตั้งของของอารมณ์เพระ ที่รับอารมณ์ต่างๆคือรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐะและธัรมอารมณ์ใจนี้เสพสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารแต่มันเป็นพิษอะไรเสพแล้วมันทุกข์เหมือายาเสษติดยาเสษติดนี่เสพแล้วมันมันสุกเดียวเดียวสุกตอนที่ได้เสพแต่พอ หมดแล้วก็ทุกข์ถ้าไม่มีเศษก็ทุกข์ก็ต้องไปหาใหม่มาเศษถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์ก็ต้องไปทำบาปไปขโมยเงนินขโมยทองเพื่อไปซื้อหลวงเจ้าบอกว่าอย่าเศษของพวกนี้อย่าเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะให้มาเศษความสงบ ทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขจะไม่ต้องเสพอะไรถ้าไม่เสพอะไรก็สบายเหมือนคนไม่ไม่เสพยาเสพติดคนเสพยาเสพติดกับคนที่ไม่เสพยาเสพติดอันไหนสบายกว่ากันไม่เสพยาไม่เสพยา คนที่ไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกาบคนที่เสพคนใครสบายกว่ากันคนที่ไม่ใจรู้สึกเสียงกลิ่นรสใช่ไหมอ่างพระพุทธเจ้าพราหลังนี่ท่านไม่เสียพรูปเสียงกลิ่นรสโลเรายังเสพเป็นอยู่นะยังอยากดูยังอยากฟังยังยดมกลิ่นวิ้มรถเห็นดอกมาจะมาหอมน้ำหอมดมอาหาร อ, อร่อย น่ากินเสกันเรือรู้เปล่าเนะี่ยพอสัมผัสแล้วก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นอยากจะได้อยากจะเสกแล้วพอหมดไปก็ทุกข์หมดไปแล้วก็ไม่มีให้เสกแล้วอย่างคนมีแฟนนี่เวลาอยู่กับแฟนก็มีความสุข พอแฟนตายไปก็เหงางนะมันก็ขาดลมหายใจเลยรูปเสียงกลิ่นรดนี่เหมือนลมหายใจของของของพวกเราพวกเราต้องอาศัยพวกนี้เป็นลมหายใจถ้าขาดรูปเสียงกลิ่นรดแล้วเหมือนเหมือนจะตายให้ได้หรือบางคนตายดีกว่าบางคนไม่ถ้าไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรดได้เขาขอตายดีกว่า คนที่เป็นอ ม, พ, อมพูษกรมพาสนี้ไม่อยากจะอยู่แล้วอยู่ไปก็เสพอะไรไม่ได้หรือคนแก่เนี่ยคนหลังสมัยนี้พอแก่แล้วก็ ม, มีแต่โรคภัยไข้เจ็บก็คิดฆ่าตัวตายเพราะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอยู่ไปก็เป็นภาระของคนอื่นเขาคิดอย่างนี้ฆ่าตัวตาย เหมือนกับอยู่ันก็ไม่มีความสุขเหมือนกับไม่มีลมหายใจตายไปทั้งทั้งที่ยังไม่ตายางานการนี้ยังไม่ตายแต่จใจมันเหมือนตายไปแล้วแต่ถ้าเราไม่เสพมันเราจะมีความสงบเป็นเป็นเป็นลมหายใจแทน อันนี้เราไปใช้ของที่ไม่เที่ยงเป็นลมหายใจเวลามันหายไปก็เลยเดียดร้อนเราไม่มาใช้ของที่มันเที่ยงความสงบนี้เป็นของเที่ยงอยู่กับใจเราไปตลอดที่ให้น่ำพุโทโธพุโทโธนี้ก็ให้มันสงบพอสงบแล้วก็จะมีความสุขเหมือนดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพลูกเสียงกลิ่นรส แล้วต่อไปเวลาที่ร่างกายไม่สามารถเสร็จรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็ไม่เดือดร้อนตอนนี้มีความสงบแล้วจะเลิกการเสรจรูปเสียงกลิ่นลาพอไม่เสจแล้วก็สบายเหมือนคนเลิ ก, เ ล, ก, เ, ล ก, เ, ลกเลิกเลิกเลรกเสยาเสจติดจะมียาเสพติหรือไม่มียาเสจติดก็ไม่เป็นปัญหาเลย ที่ให้มาอยู่วันนี้ก็เพื่อให้มาฝึกทำใจให้สงบวิธีจะทำใจให้สงบก็ต้องหน่งต้องไม่มีปัญหากับคนอื่นต้องเอาใจคนอื่นเขาจะได้รักเราแล้วก็อย่าไปทำร้ายคนอื่นเมื่อเราไม่มีปัญหากับคนแล้วเราก็จะสามารถามาถทำใจให้สงบได้ ถ้าเรามีปัญหาของคนอื่นนี้เวลาจะมาทำใจสงบมันไม่สงบมันมัวแต่คิดถึงเรื่องของคนอื่นมันต้องต้องตัดเรื่องของคนอื่นให้ออกไปจากใจเราก่อนห้ททำบุญทำทานแล้วจะได้รักษาศีลได้รักษาศีลได้แล้วก็จะได้มา ทำใจให้สงบได้เป็งเหมือนขั้นบันไดทำบุญเพื่อเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสเลิกเลิกซื้อรูปเสียงกลิ่นรสนำเงินที่เคยซื้อรูปเสียงกลิ่นรถนี้มาทําบุญแทน เราจะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขจากการเสียสละเอาใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเราจะไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดทำร้ายคนอื่นถ้าเรามีแต่ความปรารถนาดีเอา อ, อกเอาใจคนอื่นเราจะไม่เราจะไม่อยากทำร้ายคนอื่นเมื่อเราไม่มี เรื่องที่ต้องไปยุ่งกับเงินทองไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นแล้วเราก็จะได้มาอยู่คนเดียวได้มาปีกวิเวทได้ถ้าเรายังต้องหาความสุขทางตาหูจมูงนิ้งกายอยู่เราก็ต้องอยู่กับคนอน่งอยู่กับคนเดียเราก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งทําใจให้สงบได้ถ้าอยากจะหาความสงบก็ต้อง ตัดคนอื่นไปตัดรูปเสียงกลิ่นรสไปแล้วก็มามานั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธการที่เรานั่งแล้วไม่สงบก็เพราะพุโทโธสติเรามีกําลังน้อยเราจะมาทําตอนที่เรานั่งนี้มันไม่พอเราต้องทำก่อนนั่งต้องทําทั้งวันเลย แต่มเลื่อนตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเช่นบวกเลขบวกเลขบวกลบคูณหารนี่ตอนนั้นต้องใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธไปก่อนพอไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้แต่ความคิดเล็กๆน้อยๆเช่นรู้คิดว่าตอนนี้กำลังจะทำอะไร จะเข้าห้องน้ำจะดื่มน้ำจะอย่างนี้คิดแบบนี้พูดโทไปได้แต่ถ้าถ้านั่งนั่งนั่งออกแบบนั่งคิดบัญชีนั่งทำอะไรที่ต้องใช้ความคิดที่ที่ดึกซึ้งและกว้างขวางนี้ตอนนั้นก็หยุดพุดโทไปก่อนให้มีสติอยู่กับความคิดก็ได้เช่นเรากำลังบวกลบคูณหารถ้าเรามีสติอยู่การบวกลบคูณหาร เราก็จะบวกลบได้ได้เร็วแล้วก็ไม่ผิดแล้วเราก็จะมีสติเหมือนกับเราอยู่กับพุทโธถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเวลามานั่งเนี่ยมันจะลงเข้ามันจะไปลึกเพราะว่าจิตของเรานี่มันมีตัวคอยดันเราออกตัวราคะราคะราคะคินาโทสักขินาโมหะคินาคค น, านย มันจะดันใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่เราต้องใช้สติดึงมันเข้าไปอนนี้ใจเราอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในใจเรามันอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสคิดอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวจะกินอะไรเดี๋ยวจะดื่มอะไรเดี๋ยวจะดูอะไรไมันคิดอยู่กับเรื่องราวหลังต้องหยุดมันหยุดมันด้วยพุโทโธ พูดโทรเราสองสามคำก็หมดละหมดแรงและพูดโทได้สองสามคำก็ไปคิดถึงขนมนมเนยละคิดถึงแฟนหนึ่งละคิดถึงรูปละคิดถึงเงินทองลมนันก็คิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ต้องหยุดคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ถ้าอยากจะให้ใจสงบเช่ น, นตื่นขึ้นมาปั๊บเดินตาปั๊บกบพ็พูดโธพูดโทไปลุกเท้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาอาบน้ำแปรงฟันพุดโธไป อย่าปล่ให้มันไปคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรทั้งหรายเลยต่คิดอย่างนี้ได้ก็ต้องไม่มีงานทําไม่ยุ่งเกี่ยวใครอยู่คนเดียวบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นพระจะเป็นทระไม่ต้องคิดอะไรคิดแตถึงเวลาบินทบาตถึงเวลาฉันหลอนนั้นก็ พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปได้ตลอดเวลาถ้าทำอย่างนี้มันก็จะเวลานัา่งจิตมันจะเข้าไปลึกว่าสติมีกําลังมากสติมีกําลังมากกว่าราคะโทสะโมหะมันก็สงบถ้าสติมีกําลังน้อยกว่ามันก็ไม่สงบนี่คือสงครามระหว่างธรรมกับกิเลส วันนี้ธรรมะมีกำลังน้อยเลยชู้กิเลสไม่ไหวมาอยู่สะวัดสามวันก็แทบเป็นแทบตายอยากจะกลับบ้านสุดห่วงบ้านห่ว ง, วงลูกห่วงหลานห่วงสามีห่วงข้าวห่วงของอย่างเง้ยติยังน้อยถ้าสติเยอะไม่กลับละอยู่ที่นี่สบายอย่าตายเลย ก็ไปหาที่ที่เขาอยู่เป็นปีก็มีนี่สติมันน้อยมันถูกความโลกโกรหนงลากไปให้กลับไปหาหาหาสิ่งต่างๆที่เรามีแต่เรามองไม่เห็นว่ากลับไปหาไฟอะไรกลับไปแล้วก็ไปเดี๋ยวไม่กี่วันก็ทุกอีกเล้ ไปอยู่วันที่สบายใจเนี่ยหัวเลาะได้ยิ้มได้เดี๋ยว่ากลับไปบ้านเดี๋ยวก็หน่าเบื่อเติ่งนะนเครียดเลยนแต่สู้มันไม่ไหวมันถึงแม่ร่วมเป็นไฟก็ยังต้องกลับเพราะไม่มีกําลังสู้มันสติมีกําลังน้อยปัญญามีกําลังน้อยถ้ามีสติมีปัญญารู้ว่ากลับไปก็ไปหาฟืนหาไฟกลับไปทําไม กลับไปหาความทุกข์กลับไปทำงนแต่อยู่ที่นี่ก็ยังไม่มีความสุขเพราะมันไม่ยอมให้เข้าสู่ความสงบถ้ามันเข้าสู่ความสงบได้มันไม่มันไม่ับคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วปฏิแวบวดได้นี่ต้องบวชโดยไม่เสจได้นี่ต้องใจต้องสงบถ้าใจยังไม่สงบนี่ถึงแม้จะบวชมันก็มันก็อยู่แบบไม่สุข เพราะตัวกิเลสมันก็ยังคอยดิ้นอคอยดันอยู่คอยสร้างความเครียดให้กับใจอยู่สังเกตไหมเวลาจะนั่งสมาธิทีปับ๊บมันเครียดขึ้นมาทันทีเลยต่ให้นั่งดูทีวีนี่ดูเท่าไหร่ไม่เครียดเลยเพราะเวลานั่งสมาธิจะหยุดกิเลสไง พี่เลนมันก็เลยแผงลทธิออกมาสร้างความเครียดให้กับเรานั่งรล้สึกปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้เป็นไปหมดแต่เวลานั่งดูทีวีนั่งเล่นไพ่ไม่เจ็บเล <laughs> ยพราสติล้วน้อยถ้า ส, สติล้วมากนั่งห้านาทีสิบนาทีก็สงบสบาย พอเจอความสงบแล้วทีนี้ก็อยากจะนั่งอยากจะเข้าสู่ความสงบอย่างเดียวเพราะมันสุขกว่าความสุขที่ได้จากอาจารย์พูดถึงว่าเป็นสงครามคาละกติลีค่ะหนูก็รู้สึกอย่างน้จริงเพราะว่าอย่างตอนที่มีอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยกว่าจะเอาชนะกันได้ก็ ที่ตอนแรกก็พยายามจริญปัญญาเอาแต่มันมันเกิดว่ามันไม่ดับไปเราก็เลยแสดงว่าสมาธิเราหมดแหละแล้วก็ต้องย้อนกลับมาที่สติอีกอคราวนี้ก็เหมือนกับเรากลับมาเริ่มใหม่แล้วหรออะไรเงี้ยแต่พอคิดถึงที่อาจารย์บอกก็คือไม่ใช่มันก็ต้องไปด้วยกันทั้งทั้งสองอย่างใช่ไหมคะแล้วเหมือนกว่ากว่าจะเอากระลมก็ก็สู้กันแทบแย่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าใช้สมาธิดับมันก็ดับได้ชั่วคราวพอจากสมาธิมันก็มันก็คื้นกลับขึ้นมาใหม่ถ้าจะดับอย่างถ้าววนก็ต้องใช้สมาธิควบคู่กับปัญญาปัญญาต้องสอนใจว่าไปโกรธทำไมโกรธแล้วเราเหนื่อยเปล่าเวลาโกรดนีใ่ใครเจ่ะคนที่ถูกเราโกรธเลือเราคนที่โกรธเราใช่ไหม คนที่เขาถูกเราโกรธเขาไม่รู้เรื่องอแต่เราเป็นฟืนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเราไปเปลี่ยนเขาได้แบบ่าใช่ที่เราโกรธเขาเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตอนก็ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไปโกรธเขาคือเราอยากจะได้แล้วแล้วเขาเข้ามาขัดขวางเราตอนเข้ามาขัดขวางเราแล้วก็โกรธนั่นปัญหาของเรามไม่อยู่ที่เขาอยู่ที่เราอยู่ที่ความอยากของเรา เราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆถ้าเราหยุดความอยากแล้วเราก็จะไม่โกรธถ้าเราไม่อยากได้อลไรเราจะไปโกรธใครหรือเ่าถ้าเราไม่ได้อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะไปโกรธเขาไหมาที่เราไปโกรธเขเพราะเราอยากให้ก็ทําอย่างนั้นทํานีานเนางงาน้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอก็ไม่หวังดีหรือหวังไรเชาวใจตัวเองไงเนี่ยกลับมาตรงนี้ เขาไม่เอาใจเขาเขาอยากจะเป็นอะไรขก็เป็นไปเลยเขาอยากจะทํำอะไรข้าก็ทําไปนี่แหละเมตตาหวังดีหวังดีแต่ไม่เมตตาหวังดีแบบกิเลสนม่ได้หวังดีแบบธรรมหวังดีแบบธรรมต้องเมตตาเอาใจเขาสิเขาอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยก็เป็นไปเขาอยากจะทำอะไรก็ป่อยเขาทำไปเมื่อเขาเจ็บป่วยนี้ก็ทําตัวแล้วไม่ดูแลตัวเองนะค่ะแล้วก็เราก็ ก็เริดยุ่ยยี่องขอย่างเงี้ยแล้วก็หวังดีอะก็เรื่องของเขาอ่ะงั้นก็ต้องต่างคนต่างๆาใช่ไหมครับฮัลก็ถ้าตายอยู่ดีไม่เห็นเราแยกกันไม่ร้องผิดนะไม่ตายเลยแล้วไม่ตายเลยหวังดีแล้วไม่ตายเลยอย่างน้อยเวลาอยู่จะได้ไม่ทุกเนียต่างคนต่างไม่ทุกเป็นดีกว่าเวลาอยู่ก็ทุกเนี่ยเพราะอยากจะให้เขาอทําตามที่เราอยาก เขาก็ทุกคนเราไม่อยากเขาไม่อยากทําตามที่เราอยากต่างคนก็ต่างทุกไปแปล่าเรามีหน้าที่สนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาก็คอยสนับสนุนไปเด็ดถามก็ต้องการเลยอยากจะให้เราทําอะไรแล้วก็ทําให้เขาไป <c oughs> แต่เราอยากไปอยากให้เขาทําอย่างมุ่งมั่นนี่ <c oughs> ถ้าหวังดีก็ต้องเป็นคอยเป็นแรับใช้เขานี่จะไปเป็นเจ้านายเป็นแม่เขา เธอต้องกินอย่างนี้เธอต้องทําอย่างนี้นะอันนี้ไปไปบังคับเขาแล้วเพราะจะกินไม่กินเขาจะทําให้ทำมันก็เป็นเรื่องของเขาชีวิตของเขาตอนมีหน้าที่ถามจะเอาอะไรแล้วจะหามาให้จะให้ทําอะไรเจะทําให้อย่างนี้เนระาหวังดีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ย ด้วยความหวังดีแต่วังดีแบบกิเลสคือจะอาใจตัวเองอยากจะให้เขาไม่ไม่ตายก็เลยบังคับเขาให้รักษาตัวเขาเองพอตายเขาตายแล้วเราเดือดร้อน <c oughs> ใช่ไหมตายแล้วเราก็าไม่มีแฟนไม่มีคนอยู่ด้วยกันนะส่วน <c oughs> ใหญ่หวังดีด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นแหละไม่ได้หวังดีเพื่อเขาเหรอกหวังดีเพื่อตัวเองมากกว่ามันก็เลย วุ่นวายไปหมดถ้าหวังดีเพื่อสาวแล้วรับรองแน่ไม่พู่นวายนะเราต้องมาหยุดความอยากกันให้ได้ถ้าหยุดความอยากก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขวนะันนี้อยู่กันอย่างมีความสุขก็ความอยากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่มา ก, ก็ไม่พอ อยู่กันมากี่ปีก็ไม่พอจะให้อยู่กันไปเรื่อยๆจะไม่มีวันจากกันได้ยังไงอย่างน้่ยก็ไม่ให้จากกันวันนี้ใช่ไหมถ้าจะจากกันขอให้จากกันวันหน้าพอถึงวั น, นหน้าก็ไม่อยากให้จาก เ, <ม>เราต้องหัดอยู่คนเดียวเราจะได้ไม่ไปไม่ต้องไปพึ่งคนอื่ เขาจะอยู่เขาะจะไปก็ไม่ไม่เดือดร้อนถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งคนอื่นเรื่อยๆแต่วิธีจะพึ่งคนตนเองได้ก็คือทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วไม่อยากได้อะไรไม่ต้องพึ่งใครมีความสุขได้ด้วยตนเองตอนนี้ต้องมีมสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นคนนี้ถึงจะมีความสุข ถ้าทําใจให้สงบแล้วไม่ต้องมีอะไรเจ้็ญาติโยมมีอะไรเต็มบ้านเต็มช่องพระไม่มีอะไรไม่เห็นมีเลยมีสาระลั่งโล่งๆมีแต่หนังสือแจกทําไปอยู่ได้ไฟฟ้าก็ไม่มีน้ําประปาก็ไม่มีทั้นั้นก็อยู่กันได้ก็อยู่กับความสงบ อยู่กับความสงบทั้งภายในและภายนอกป่านี่ก็เป็นที่สงบไม่มีเสียงวุ่นวายต่างๆมาลบกวนใจถ้ามีเสียงวุ่นวายนั่งสมาธิยังไงก็ไม่สงบเพราะมันคอยมันก็ทุ้งใจยอยู่เรื่อยๆวิธีจะทําทใจให้สงบต้องปิดวิเวกต้องไปหาที่สงบ พอที่สงบแล้วใจก็จะสงบง่ายกายต้องวิเวก่อนแล้วใจถึงจะวิเวกมาอยู่วันหลายวันแล้วเนี่ยวันหนึ่งนั่งสมาธิได้สักกี่กั่วมง เงัโนะวันมต้องยี่บสี่ชั่วโมงเราไปทำอะไรหมดเลยแต่เพงชั่วโมงเนี่ยโอ้ยาอูน่าอู่าอู๋อเราไปทำอะไรหมดนอนกินแล้วก็นอนมาพักพืนนหรอหรืว่านอนแล้วก็สบายกำลังหัดเขียน ไม่เขียนไม่ทาอะไรเนี่ยมานี่ให้มัมาทําใจให้สงบอย่างเดียวตั้งแต่ตื่นมานี่พูดโท้รัอย่างเนี่ยยังไม่พูดโทกันเลยพอพูดโทรอยู่เรื่อยๆแล้วเวลานั่งมันจะได้สงบง่าย ต้องทําเองนะไม่มีใครทาให้เราได้ส่วนใหญ่มันจะเผลอมันจะลืมมันจะลืมไปว่าต้องมาพูดถกกันลืมไปว่ามานั่งสมาธิกันเดี๋ยวเจอคนนี้คนนี้ก็คุยกันละคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ชวนไปทํานู่นทํำนี่กันความสงบคืออะไรครับความสงบคื อ, อเราไม่คิดว่างเปล่ปเอเสอเคยเค ย, เคยว่างปเปล่ า, ากตลอด ไม่สนใจใครอแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันสงบแบบไม่ไม่คิดอะไรเลยไม่โกรธทำอะไรก็ทำใรเฉยไม่ยุ่งมาเขึคนบ้าแล้วมักันได้ค่เนไม่ยุ่งบาดาหมอไม่ยุ่งแต่ใจยังคนเยอะอ่ะ ใจบางทีมันก็คุ้นแต่มันก็ไม่สนใจก็ก็แสดงว่ามันไม่ปล่อยจริงถ้าปล่อยวางจริงมั น, ม จ, มนจะใสยังกลัวถ้าปล่อยวางจริงเราก็คงทั้ชีวิตแล้วมั่งแบบนี้ น, น, นั่นเลยนะกลัวละกลัวจะเป็นอย่างนี้กลั ว, ลวจะสุกไปตลอดชีวิตเลยยัง <c oughs> อยากทุกอยู่อ่ะย<ช>ังอยากทุกอยู่ยังยังจับไม่ได้ทุกอย่างยังอยากกินของอร่อยเยอะ ว่าไงเพื่อนมาจากที่ไหนเพื่อมาจากกรุงเทพกรุงเทพด้วยกันนะไม่ผมอยู่พัทยานรับพี่เขาอยู่พัทยาแล้วดีมาเยี่ยมเยียนไปไปบวชไปปฏิบัติที่ไหนมาบ้างครับเคยกลับจากปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่มานที่ว่าก่อนเขาแนะนําครับที่ว่าอะไร เป็นสัญลักษณ์ป็นบัตธรรมครับครับผมของไทรของคารวะเนี่ยครับผมครับผมอยู่ข้างวัดครับอยู่ที่อำเภอสัญญาแพงครับแอวสัญญอย่างีวัดไม่สอนเลยให้คารวะสอนแคฝึกสมาธิแบบไม่ง่ายวัดไม่แต่บุญบางสังส่วนนะครับผมกิจนิมนต์จ้ะกิจนไมวันเดี๋ยวตายเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่เอพัก เห็นนี่กลายเป็นวัดพิธีกรรมไปและครับผมที่ศาสนานี่เป็นศาสนาปฏิบัติครับ ย, ยุคแรกๆนี้มีแต่ปฏิบัติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าแสดงทําให้แก่ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมกันเป็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหนึ่งเป็นแสนมีแต่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนใ่เรื่องปฏิบัติ แต่ไม่้มีแต่สารังบนอย่างนี้ทานอย่างเดียวบนบา ง, งสางทุกอ่าผ <c oughs> ิดๆกับผิดๆกัมเยอะอยากโยงว่าชอบอย่างนั้นด้วยง่ายดี<อ>พระก็ชอบพระจะดาว ก, กันหนึ่งใช้ย <c oughs> ิ <c oughs> ่งเยอะยิ่งดีดอ่ายิ่งเยอะยิ่งดี <c oughs> ด <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็เลยเวลาจะศึกษาต้องไปศึกษากระโยมด้วยกันแต่ศึกษาก็โยมสู้ศึกษากระพระไม่ได้พระปฏิบัติเนี่ยโยมก็ยังมีกิเลสอยู่ยังเป็นโยมอยู่ครัเดี๋ยวนี้หาพระสุวัสดิบปัญโง่ไม่ค่อยมียาต้องเข้าไปป่าเข้าไปอะไรเงี้ยเข้าไปโยมส่วนใหญ่ซอนได้ก็แค่ท่านสมาธิ ท่านปัญญานี้ถาไม่ได้ตัวเองยังไม่มีตัวเองยังตัดที่เลสของตัวเองไม่ได้ครใช่ไหมส่วนใหญ่ก็สอนอะไก็เป็นกสินเอป็นกระสินําใจสงบ้ฝึกอกระสินยินนะครับเอาจารย์เป็นกระสินยินแล้วบอกได้เดี๋ยวได้ยานยานสามขึ้นถึงยานสามทำให้ จิตมีกำลังครับเป็นโลกีหลโลกียาชัครับผมก็เป็นของเล่นนครับยังไม่ได้ถึงบรรยาในทธิิฏฐาทิหาเนี่ยครับผมรู้วาระจิตรู้ไปทำไมเรื่องสองคนหน่งรู้ไปทำไมเรื่องของตัวเองจำไม่รู้ โดนกิเลสตลบหลังไม่รู้เสกตัวครับตัวนี้แม็คจะเป็นเครื่องมือของกิเลสเพราะมีมีปัญญาแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือหากินอะไรครือส่วนมากจะใจหลงด้วยใจหลงอืหากินจะได้ เ, เงินมาเสก ร, รูปเสียงกลิ่นร้อนตัวนี้ยังละยังบวชไม่ได้ก็เพราะยังติดรูปเสียงกลิ่นร้อนอยู่ แต่สำหรับคาราวานด้วยกันก็โอเคพวกเดียวกันไม่ถือากันมาเรียนกับพระพระก็ชวนให้บวชอย่างเดียวตอนนี้เอาดีกว่าเนี่ยคนมาฟังเทศแเราก็ว่าอาจารย์สอนให้ให้บวชอย่างเดียวเนี่ยวะไม่สอนให้ทําอย่างอื่นเลยไปเรียนกับพวกคาราวานดีกว่า เขายังบอกว่าเป็นฆร า, าวาสได้ปฏิบัติได้เขาจะสอนยิ่งกันทั้งนั้นอ่ะเพราะตัวเขาก็เป็นฆร า, าวาสใช่ไหมมันก็สอนได้แค่ขั้นสมาธิเพราะถ้าขัา้นเป็นปัญญานี่มันตัดกิเลสแล้วมันก็ไม่อยากจะอยู่เป็นฆร า, าวาสแล้วฆร า, าวาสนี่มันวุ่นวายจะตายเลยแต่ถ้ามีกิเลสมันมองไม่เห็นความวุ่นวายมันเห็นมองเห็นความสุขที่ได้มันไม่มองถึงความวุ่นวาย แต่นี่คาะวะสอนเยอะนะโกเองกล้างนี่ค า, า, วารวะว่าพระไม่ทําหน้าที่<ช>พระโมเดลไปจัดงานเททองหล่อพระมีการเสกตีแล้วเนี่นนเยเดี๋ยวป้ายขึ้นเต็ไมไปหมดเนี <c oughs> ่ยแล้วเวลาฝันเราเห็นวิญญาณนี้ทําไมก็าไม่เราเห็นหน้าเขา ก็ไม่ใช่เขาหรอเราฝันไปเองเราเป็นคนแต่งไปเองอ่ะอ่าจิตเราแต่งเป็นเรื่องเป็นราวไปเองเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเราหรอกเหมืเรายังจะได้หลักอย่างเงีถ้าเป็นเขาจริงๆเขาเขาต้องเห็นหน้าสิเขาจะคุยเห็นหน้าจะพูดไม่ได้จะต้องที่เห็นสีดำๆเดินแต่เขาบอกเขาบอกอะมันไม่ใช่หรอกถ้าเป็นเขาจริงๆก็คุยกับเแล้วอ่า เราไปเข้าจริงๆก็คุยกับเรามันคุยกันอย่างนี้แหละอานา่นมันก็ต้งหลับไม่ต้องหลับก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องหลับอยู่เพื่อว่างคนเดียวจิตสงบมันก็คุยเขาก็มาโผล่ขึ้นมาก็ได้ถ้าเขาไปถ้าเขาจะมาหาเราถ้าขึ้นหลับพึ้งเตื่นนี่ก็เป็นเรื่องของจิตจิตหลอนก็ยังนะจิตห้อ น, ออนขึ่งหลับรึ่นเตือนไม่มีสติจิตห้อน ใช่แล้วผีทำล้วค่ะมนจิเนี่แล้วก็จิตร้อนนี่หแบบ <pist ach> ลไม้ใอจิตมันจิตร้อนก็จิตของเราหลอกตัวเราเองไม่สื่ออะไรกับใครแบบ <ew> <c oughs> จิตร้อนนี่มั น, ม, น, ม, นมันมันกิไปเรือยมันมีความสามารถอะไรเยอะแยะ พอเราปล่อยเวลาใกล้จะหลับนี่เราไม่มีสตินี่มันบางทีก็แข็งลิฟตออกลิฟต์ออกเดชให้เราเห็นเวลามีสติมันหายไปหมดใช่ไหมอันนี้มันไม่โผ่ออกมาในนี้ไม่โผล่มีกระดาษลายตเลยถ้าเป็นวิญญาณจริงนี่คุยกันได้กายทิพย์นี่ติดต่อกันได้คุยกันได้ ถ้าเป็นกายที่จริงๆถามสามสาวทุกข์สุดเดือดกันเป็นใครมาจากไหนแม่ชีท่านคนหนึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นกกท่านแม่ชีกแก้วท่านเวลานั่งสมาธิจิตสงบแล้วจะมีโลกกายคิดมาเยี่ยมเยียนมีบางทีก็มีวัวป่าไอ้ควายป่าหมูป่าหมูป่าถูกพลานยิงตาย ก็มาหาแม่ชีแต่มาในรูปร่างของคนแล้วก็มาเล่าว่าตนเองเป็นหมูป่าเพิ่งถูกเขาฆ่าตายเดี๋ยวพรุ่งนี้เขางคงจะเอาเนื้อหมูป่านี่มาถวายแม่ชีขอให้แม่ชีช่วยรับเป็นทานให้กับเขาหน่อยเพราะขอบอุญจากเป็นทานเพื่อเขาจะได้ไปสื่สุขติแม่ชีก็ อ, อนุโมทนา แล้วตอนเช้าก็มีพาเราเอาหมูป่านี้มาม า, มาให้แม่ชีเออเครื่ที่หลวงปู่มั่นเสียนี่หลวงปู่มั่นก็มาบอกแม่ชีว่าแม่ชีเราไปแล้วนะพอดีแม่ชีกะจะไปเยี่ยมหลวงปู่ในวันรุ่งขึ้นแต่แม่ชีน้าหลวงปู่เสียในตอนคืนอพอเสียแล้ว ก็พอดีไม่ชีเข้าสมาธิหลวงปู่ก็มาเยี่ยมทันทีมาบอกว่าเราไปแล้วนะเราตายแล้วพรุงนี้เธอไปหาเราก็เจอแต่เจอแต่ร่างกายของเราไม่ได้เจอตัวเราแล้วนะแชีก็ตอนเช้าก็ร้องไห้บอกเพื่อนแม่ชีที่ก็หลวงปู่ม่านเสียแล้วทั้งที่คนในหมู่บ้านไม่มีใครรู้ก็อยู่ต่างอำเภอเลยจนะนสายๆเนี่ยถึงจะ ม, มีข่าวบอกมา นีรู้เรื่องหน้าก่อนคนอื่นอันนี้ของจริงไอของพวกเรานีนของปอนนั่นแหละพวกเรายังนั่งสมาธิจิตยังไม่สงบถึงขั้นไม่มีโอกาสที่จะไปเจอของเราแนน่เพราะยั้ น, นจิตต้องละเอียดถ้าเหมือนกับกับเครื่องทีวีก็ต้องมีสัญญาณรับเราไม่มีสัญญาณรับอะไรเราต้องไปปรับซื้อยังเราเห็นอะไรก่อนอย่าเนี้ย อย่างเหมือนจะเดินข้ามถนนเนี่ยคนกระัากเราแต่เราเห็นว่ารถรถชนลราตายแต่เราเอาเท้ากับแต่คนที่อกข้างๆโดนชนตายทนเลเห็่ามันจิตีไม่กี่วินาทีอีอคุมดยกันเขาียก่าเป็นผีคุ้มหรือเปล่ากไม่รู้าจะามีมีอภิน ญ, ญามีความรู้พิเศษก็ได้เมสขเขาเตือนไม่กี่วินาทีหร อ, อเออเอก่อนแฟนไายเขาก็มาลา ก็ไม่เห็นหน้าแต่จะมีคนเรียกชื่อเขาว่าจับมือไปครัก่อนตื่นแล้วก็ไปรักรู้ไว้ก็ดีจะได้เตรียม ต, ตัวไว้ต่อไปเราจะตายมาได้ <c oughs> ก, ก็ต้องตายนะไม่กลัวดนะถ้าไม่กลัวก็ดีกลัว<ๆ>กลัวกลัวเป็นอำ ม, มาต <laughs> ไม่มีใครดูพระจานทร์ก็ถามถ้าสมมติฝันถ้าเราฝันคืนนี้ มันเป็นเรื่องจริงเหรอะอาจารย์ว่ามันมันนี้ไม่เคยเป็นยังไงอาจารย์ตอนนีนี้มันอย่างที่บอกเป็นของจริงก็มีของปลอมก็มีถ้าเป็นของจริงก็แสดงว่า<ช>เป็นเป็นเป็นของจริงของแท้จริงทุกขั้งเลยฮะอาจารย์สมมติเราฟันว่าลูกตายลูกอะไรมันเป็นเรื่องจริงเลยเจอทันทีวิ่งหาได้ทั้งคืนเคยฟันเป็นโจ้เลยเมื่อวานทุกจ้า แล้วไปไทาง <laughs> <laughs> อาจารย์ไม่อยบ่อยนะบ่อยจ้ะบ่อยเลยจ้ะเกือบทัว่วเลยอาจารย <laughs> <laughs> ์ไ ม, ไ ม, ไม่ได้บอกให้ว่าไปหาทางงานโลกมากอะไรนะอันนี้เรื่องจริง ดีละเดี๋ยวขอเโทรจริงๆอาจารย์ตังค์อยู่กได้ไม่ได้เลยนะไม่มีโชควันนี้ไม่ได้ตังค์นะงวดนี้เจ้าไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเขาได้แน่เงินเต็มหมดนี่ได้จริงก็แสดงว่าเป็นความรู้พิเศษของเราเพราะวฝันถฝันว่าลูกเป็นอะไรที่ทางบ้านชุนมาแล้วฝันเออเห็นแล้วเนี่ยมาบอกเขาทรไปบอกเขาว่าเขาตายแน่นอนนะเขาไม่กล้าไปบอกบอกเขาไปดูเขาาว่าเขาบอไม่ได้หรอกของนี้ต้องรู้จักพูด จะเขาไปบอกว่าบอกเขานะเขาอยากได้อะไรให้เขาไปเลยเพราะอีกวันหรือสองวันก็ไปแน่เขาไปบอกเนี่ยทำไมมึงกล้าบอกเขาคไม่กล้าบอกบอกเลยบอกเขาอยากได้อะไรให้เขาออันนี้เรื่องจริงนะพ่ออาจารย์ที่มาเจอกับตัวเองมารู้สึกว่าหลายครั้งต่อหลายครั้งไม่ใช่มากกว่าสิบเพื่อไปค่ะอาจารย์ก็รู้อะไรบางทีก็ต้องระมัดระวังพูดออกไปก็อาจจะทําให้เกิดโทษกับเขาและโทษกับเราก็ได้ แต่ฝันบางทีจะไม่มีฝันนองเขาไม่เลยฝันบางทีว่าเอาแน่นอนเลยแน่นอนต้องแน่นอนตัวนี้เข้ามาอันนี้ต้องแน่นอน <c oughs> เกิดอะไรขึ้นจริงๆนะพะน่อจันจะจะรู้จกักเกืบทุกที่เลยจากท่องเที่ยวเลยเหมือนว่าเราจะชนวนเราลูกๆระ ว, วังไว้วันนี้นะจะไปทําอะไรนะพุ่งนี้หบอกห้ามไม่ได้ใบาตายจริงพ่อจันเจอมาแล้วอ้ะก่อเราจะเห็นข่าวห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่นะจ้ะอันนี้เรื่องจริงขนาดแฟนบอกยังไม่ต้องไปเราจะไปไปทำบุญกับลูก ลงช้ากก็จะบวชไม่ต้องไปเราอยู่บ้านเดี๋ยวจะนั่งรถจะไปไม่จะไปขับรถไปก่อรถชนรถคว่ำเนี่อาจารย์เข้าตายกับที่เราไม่ตายเราแค่ตลกนิดเดียวอาจารย์อลงใต้สะานเลยเลยเขาถามว่ามีพระดีไหมพระอีพระดีไงถ้าตายตัวพระเองตายอันนี้เป็นอันนี้มิตรเป็นอะไรอาจารย์อันนั่นแหละก็เป็นความรู้พิเศษปัญญาปัญญา สามารถรู้อนาคตได้รู้ดีก็รู้ลึกชาติได้ชาติตอนเป็นอะไรเคยเป็นอะไรมารู้ใจคนอื่นเขาคิดอะไรก็รู้กำลังคิดอะไรอยู่จะมาถึงขัน้นอาจารย์แค่ตัวเองเออผมรู้สึกลองมันจะมาแค่นี้รู้เออบอกเลยอาจารย์นะย่ารนะู้องรู้ ม, มาอาจารย์จไปน ะ, นนะมันจะมาถ้าห้าไม่ไปเรื่องจริ ง, รงเกิดขึ้นทันทีครับแล้วกนนนี้มมัั มันดีแต่มันมันไม่มันไม่ฆ่ากิเลสได้อาจารยมันไม่เกี่ยวกับการฆ่ากิเลสรู้ไปแล้วกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสแต่ทุกนอาจารย์เป็นทุกข์กขับตัวเราเองแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดแดต่เราละแวกตลอดเลยอาจารย์และทั้แมนทำไมทำไมไปหาอาจารย์ไหนไปทาไมได้จะจะหยุดตรงนี้ได้จําตรงนี้ได้วิ่งไปว่าตรงไหนดีก็วิ่งไปพยายามจะหยุดก็ไม่หยุดก็ได้เพีแต่ให้เฉย่รู้ไว้ใช่ว่าสายบาร์แบกหาง รู้ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะไม่ทุกอะไรจะเกิดมันก็เกิดไม่มีใครไปห้หามมันได้เพียงแต่ว่าเราดันไปรู้ล่วงหน้าก่อนนะรู้ไม่รู้เขามันก็ต้องเกิดเมื่อถึงเวลามันจะต้องเกิดมันก็ต้องเกิดไม่มีทางแก้ไขเลยหรอคะอย่างบา ง, บางอย่างบางเรื่องอะไรเนี้ยถ้าเรารู้ก่อน อย่างเช่นเรื่องบางอย่างเรารู้ว่ามันจะต้องเกิดกับเราเราพยายามเราพยายาม ท, ทําทํากรรมที่ที่น<ห>ี่คุณ<ม>จะตายนี<ห>่คุณไปไปไ ป, ไปเปลี่ยนแปลงมันได้เปย่าเยอะแเรื่องตายอ่ะแม่ก็เอาเรื่องตายเป็นหลักไหมแยเรื่องอะไรเหรอแล้อื่นมันก็เปลี่ยนได้เช่นวันนี้เปลี่ยนใจจะไม่มาวัดก็ได้เดี๋ยวไปเที่ยวแทนก็ได้ของที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแต่ของที่เปลี่ยนไม่ได้มันก็ไม่เปลี่ยน มันตุองขนาการทขอาว่าจรทุกสิ่งมันเข้ามาหาเราทําไม่ไม่กระทาทุกสิ่งมันก็ไม่เข้ามาหาเรานะอาจารยมันแต่ที่เราจะมาไม่รู้กี่ปีเราจำไม่ได้เด๋ย้อหาเรากำเนิดจริงนะจ้อยปอแต่รับรองมีที่เจอยอมรับเลยกำเนิดนี้เราไม่เจอจริงมัตรนื่องจากเราจาไม่ได้เท่านั้นเราทกับใครเข้ามาแล้วลืมพอเข้ามาทำกับเราก็ร้องหย่ร้องไห้ว่าทำไมเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยทำไมเข้ามาทาเรา เขาจําได้เราจําไม่ได้เวลาเราเจอใครแล้วเราไม่ชอบที่หน้าแสดงว่าเราจําได้แล้วแสดงให้คนนี้มันเคยมีอะไรตำเรามาก่อนอเวลาเจอใครแล้วเราชอบเขาเ น, นี่แสดงว่าโอ้คนนี้เคยมีบุญมีมีคนกันมาก่อนเคยรักเคยชอบกันมาก่อนพอเห็นนักเห็นปั๊บก็จะติดอกสิดใจที่วันนีแสดงอิจฉาที่เสียอันี้เกิดขึถ้าเป็นแบบนี้จริงๆ ถ้ามองคนอย่านี้เออไม่ชอบเขาไม่ได้ทําอะไรเราอีกแสดงว่ามีความป็นจานตัวเองกับตัวเองแล้วเขากบนี่อคติกับเขาใช่มันถึงจะเป็นไปแบบนั้นเพราะมันเคยมีอะไรกันมาก่อนไงมันถึงไม่เคยมีความจิตใจเราเราเราไว้ไม่ได้ลกไม่ได้มองหนียดเขาวิธีที่ียาละก็ต้องปฏิบัติทำแล้วก็ฝืนใจบังคับใจว่าจะเคงแม้จะโกรธจะเกลียดเขาก็ให้อภัยกันไปแผลไม่ตาไป ให้พายกันถึงแม้จะรักเขาไม่ได้ก็อย่างน้อยก็อย่าไปเกลียดเขาเลยเกลียด เ, าเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำบุญอุทิศให้ไปเลยไหมอาจารย์ปวดหน้าไหมเขายังอยู่อุทิศไม่ได้ถ้าอยู่ก็ซื้อของขวัญมาให้เขาเลยเสร็จมาะอุทิศทำบุญปวดหน้าไม้มก็คนมันยังอยู่อุทิได้เลยชื่อคนนี้คนนี้คนนี้โอเคถ้อยาก<ป>จะเอาอุทิอุทิศก็ไปซื้อของแล้วก็เอาของนี้ไปถวายข้าไปให้เขาแทน มันปุ๊บมัรับอาจารย์ไม่นับก็เอาคืนไม่นับเพราะว่าจะไม่พร้อมอาจจะของไม่ดีเราซื้อของดี ด, ดูจะรับไหยเอาทองไปทองคําไวตั้งสองบาทดูซื้อขนมดนะอซื้อของที่กําลังกําลังคิดอยู่ตอนนี้เราซื้อไอโฟนไมตั้งเครื่องเลยดูเขาจะรับไหมเขาว่าดูถูกาอาจารย์ให้ดูเถอะว่า ว่าชอบคุณอยากจะให้คุณได้ใช้ของดีดีมีว <c oughs> ิธีพูดเนี่ยจะให้ของควรเอาไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อ่ะอ่อฝ่ายหญิไม่ใช่เนี่ยเวลาเราเกลียดเกลียดใครเราต้องหัดทําใจอย่าไปเกลียดเขาเลิกเกลียดชอบใครก็ทําใจอย่าไปชอบเขาเพราะทั้งเกลียดทั้งชอบมันก็ไม่ดีอก็ <c oughs> เวลาเกลียดไทยแล้วเจอเขาก็จะทุกข์เวลาชอบไทยแล้วเวลาก็จากเราไปแล้วก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่เกลียดเราไม่ชอบนี่เราจะไม่ทุกข์ใช่ไหมสังเกตคนนี้เราไม่รู้จักนี่เขาจะเป็นจะตายยังไงเราไม่ทุกข์ใช่ไหมเกลียดเราก็ไม่ได้เกลียดชอบเราก็ไม่ชอบแล้วคน<ๆ> ท, ที่เขาเกลียดเราเหรอคะอ๋อนี่เราห้ามเขาไม่ได้ทขาคืคอุกธเนะี่ เราไม่เดือดรุกเพราะเราไม่รู้บางทีไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ชอบเราถ้าปล่อยเขาเนาะก็เนี่ยเพราะชาติก่อนเราเคยไปทําอะไรเันมาก่อนเราจําไม่ได้เราต้องทําอะไรใช้กรรมเนี่ยบอกยอมนับกรรมไปยอมให้เขาเกลียอยอมไม่เ้าเกียดไปต้องซื้ออะไรไปให้ไหมถ้าถ้าอยากจะให้ให้เขาไม่เกียดก็ซื้อขอนมซื้อซื้อของดีๆไปให้เขาเรื่อยๆถ้าอยากจะให้หายเกลียดแล้วก็ต้องซื้อของดีๆทแพงๆ คือรถเก๋งสักทางเรใช้เงินก่อนะการงานมัเกลียดดีกว่านะเสียดายเงิถ้าเราอยากจะให้เขาไม่เกียดเราจริงๆแล้วก็ต้องยอมเสียเสียเสียสละเยอะๆทุ่มกข้าไปประมูลเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้พอยังตอนนี้พอหรือยังเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รักเราเองให้ไปบ่อยๆท่อเดี๋ยวก็รักเราเอง ใช่ไหมใรักแค่แปบเดียวค่ะครับ <c oughs> ก็คิดถ้าเราเป็นเขาอ่ะถ้าใครเอาของมาให้เราเรื่อยๆของดีๆอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวเราก็อดที่จะรักเขาไม่ได้หายเกียดเองหายโกรธเองเนี่ยเขาบอกให้เอาใจเขาไง <c oughs> ถ้่อยากใช้เขาหายเกียดเราแล้วเอาใจเขาเด <c oughs> ี๋ยวเขาก็หาย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะรักเราชอบเราเป็นเพื่อนเราไม่ให้เห็นหน้าเลยดีกว่าไหมคะ <ś led> บางทีมันหนีไม่ได้นีพยายามพยายามหนีเดี๋ยวก็ดันไปเจ อ, อกันข้างหน้าอีกอะเวลาเวลามันเป็นเรื่องของกรรมนี่มันหนีกันไม่พ้นอ่อพระพาทธเจ้สอนใ ห, ให้ให้เอาเมตตามาสู้ดีกว่าเอาเอาเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรดีกว่าเป็นศัตรูมาเป็นมิตรแล้วจะสบาย <ś led> เอาใจเขา <ś led> ให้เขามีความสุข คนเราเปลี่ยนใจได้มันอยู่ที่เหตุการณ์คอยเกิดคอยเกลียดกันพอตกทุกข์ได้ยากแล้วมีการช่วยเหลือกันดูแลกันเดี๋ยวก็หายกอดหายเกลียดกันเน้นพยายามอย่าเอาใจตัวเราเอาใจเขาเอาใจคนอื่นแล้วเราจะไม่มีใครเปลี่ยนเรา เวลาทุกทุกได้ยากเข้าหนีหมดหรอคะแล้วจะได้ใช้เราจะได้ได้งอพ่อได้แเราจะได้หากใช้ใช้ตัวเราเป็นที่พึ่งไงไม่ต้องพุ่นไข่เราเรียกว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดก่เรานี้จะต้องทุกข์มันแต่ย่่าสู้ตัวเองช่วยตัวเองถ้ามันถ้ามันไม่มิถ้ามีคนอื่นช่วยเหลือมันก็จะไม่ช่วยตัวเองพอไม่มีใครจะช่วยเราเราก็ต้องช่วยตัวเองแล้วเราก็จะมีตนเป็นที่พึ่งของตน ไม่ต้องมาพึ่งคนอื่นต่อไปที่พื้งที่แท้จริงก็คือความสงบนี่แที่ ท, ที่พื้งที่สูงสุดถ้าเราทำใจให้สงบแล้ว ร, ร่างกายจะเป็นยะตาจะเป็นอามภาูษกอมภพานะไม่เป็นไม่เดือดร้อนอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไปใครจะเมตตาสงขารมาช่วยก็ปล่อยก็ช่วยไปก็ไม่ช่วยก็ไม่ปริปากขอใครอยู่ไปตามบุญตามการรมของเรานับรองนะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเหลือเราเยอะแยะ แต่เราไม่เดือดร้อนถทาอย่างช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ถ้าใจเราสงบแล้วเราไม่ต้องพึ่งพาสายร่างกายตอนนี้เรายังต้องพึ่งพาสายร่างกายกันอยู่นะพราเรายังต้องดูต้องฟังต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ถ้าเราทำใจให้สงบแล้วเราไม่หาความสุขผ่านใจเลยไม่ต้องผ่านร่างกายที่เรามาฝึกกันนี่เพื่อมาฝึกให้ตนเีงเป็นที่พึ่งของตน เพื่อเรามีความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือคนหนึ่งไม่มีอะไรพูดเลยมีอะไรเวล่าให้ฟังบ้างก็ได้ทำงนนี่ต้องมีความทุกข์บ้างแหละไม่ทุกอย่างนู้นก็ทุกอย่างนี้ไมนไม่มากันหรอกนะอะฮะกรณีพอเสียไปมาสามเดืนะอนเออะ ไม่มาเราคิดไปเองอะส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนแต่จะพูดออกมาแต่เมืนเป็นแพูดแต่ว่ามันแบพ่อเนคสื่อเนี่ก็ต้องคุยกันแบบที่หลวงปู่ม่นคุยกันแม่ชีแก้วเหงียนจะมาจริงคุยกันหรือเปล่าว่าพ่อไปแล้วพ่อสบายแล้วลูกไว่น้ําห่วงคือรอบโบ ออนั่แหลเหมือนมปนความรู้สึกนึกคิดของเรา ไ, <ป S 1> <ล>ไองออาจิตของเรามันไปเองเนี่ยถ้ามาอยู่ที่นี่คนเดียวเดี๋ยวผีมาแล้วใช่ไหมบรรยากาศ ม, มันเงียบแล้วใจเราก็ปูุงแต่งไปละ <c oughs> คนอื่นมาอยู่ที่นี่เป็นปีเล่มีผีเลยพ <c oughs> อเรามาอยู่ที่นี่พัพ๊บพออยู่คนเดียวปั๊เดี๋ยวมันมาเลย <c oughs> จิตเราปูุงแต่งไปเองจิตเราคิดไปเอง อุ ป, ปทานไปเองแล้วมันมีจริงปัจจุบันสับทรงหรืว่ามืได้านั่งทร mm hmm. ง, งก็จิตนี่แหละทรงไปเองเนี mm ่ย hmm. จิตนี่มัน mm hmm. มันมันเล่นบทบาทได้หลายบทบาท mm hmm. แล้วถ้าคนที่เป็นเจ้าของจิต mm hmm. เชื่อตามมันก็เลยคิดเป็นเป็นจริงเป็นจังไปปรมนั mm ้น hmm. เพราะคนเข้าทรงนี้ก็แปลกมันจะเข้าทรงแบบ คนที่คนในประเทศนั้นรู้จักเช่นเป็นท่าในศาสนามันก็จะเป็นเท้ามาหาพรมบ้งเป็นพระเจ้าแผ่นดินบ้างองค์นั้นองค์งนี้มาเข้าทรงถ้าเป็นฝรั่งมันก็จะเป็นคนของเขาเอกอะทำไมเขาไม่เป็นคนของเราไปเข้าทรงอะไร น, น, นะเออถ้ามันเป็นเรื่องใ น, านาชาติมันต้องไปไปเข้าทรงที่ตรงนั้ก็ได้ใช่ไหม เขาก็มีแต่พระเยซูมาเข้าทรงมีพระเจ้ามาเข้าทรงอ่ะมันก็มันเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นแหละก็มีนักโปรยนมาเข้าม้างฮะนักโปรยนมาเข้าคนอื่นใช่ไหมมีเหมือนกันนะเพราะเรารู้จักเขาเนี่ยถ้าเอาคนที่เราไม่รู้จักมาเข้าคนก็ไม่เข้าคนก็ไม่เชื่อเลยใช่ไหมครับตงนี้ก็จะหากินก็จะได้ห่ะหากินก็จะได้เอาคนที่เราเชื่อว่ารู้จักมา หนูเคยเหนื่อยเพียมากๆกันห น, นูฝันแล้วก็มีคนบอกให้หนูเดินทางม่มีสองทา ง, ทางเขาบอกทางที่คนเดินสวนมาเยอะให้เดินกลับต่อไปมองหน้าเขาทางรถมนันอย่าไปแล้วก็ไปแต่ก็ไม่มองเขามีทุกทุกลูปแก่ทุกชาติทุกภาษาเดินแต่แต่ไม่กล้ามองเขาไม่ให้มองให้หลักตาแล้วก็เดินสวนกลับแล้วก็ตืน่นรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเหนื่อยหนูต้องมาฝ<อ>ึกหนูต้องมาฝึกวิปัสสนา ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอย่งมากก็แค่ตายาให้คิดอย่างนะี้ต่อไปจะไม่กลัวอะไรส่วนมากก็จะมีคนบอกมาทำไมหลงทางมากลับไปเขาจะไล่ไปมันเหมือนมะเป็นโรคหัวใจแล้วมันก็จะหืนนุนไปแล้วหายไ ป, ไนไปคนเราเกิดมาทุกคนมันต้องตายเราจะสอนให้เจริญมานานนุสติอยู่เรื่อยๆแล้วความกลัวตายมันจะหายไปเราจะอยู่อย่างสบายจะอยู่แบบทุกข์หรืออยู่แบบสุข ก็ตายเหมือนกันใช่ถ้ากลัวตายก็ทุกไปถึงวันตายถ้าไม่กลัวตายก็สุขไปถึงวันตายจางจานะแม่ชีมีอะไรไหมแม่ชีอยู่ที่ไหนในแม่ชีได้เป็นอุบาสิกาอยู่บ้านไหอก็ทางานช่วงมาถือศีลที่นี่ก็จะทำเพื่อเพนมนุษทำงานที่สตดิโ เมออยู่พัทยาค่เวลากลับไปทำงานก็แต่งชุดธรรมดาจ้ะใส่ชุดของได้ักแต่ว่าผมท่านนี้เมื่อปใส่วิทย์แบบนี้คอมิ้งก้าวผมอยู่มองไม่เห็นดว่าว่าหรือว่าโกงผมดูว่ามันมองไม่เห็นยนิงแม่ที กรณีเหล่านะั้พยายามฝึกสติไว้หัวใจสำคัญของการสร้างความสงบนี้อยู่ที่สติตัวเดียวถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วใจลอยคิดไปคิดมาก็ไม่มีวันจะสงบได้เราต้องฝึกสติตั้งแต่เต็มเลยเราไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำทำแล้วพุโทโธพุโทโธไปซะ่เสร็จเไปจะคิดต่อเมื่อเราต้องใช้กับการงานที่เราทาก็หยุดไ ว, ว้ชั่วคราว แล้วก็ฝึกสติอยู่กับงานที่เรากาลังทําอยู่อย่างนี้ใจจะไม่ลอยใจจะไม่ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้จะคิดอยู่เรื่องที่เรากํามกลับให้มันคิดพอเวลาเรานั่งเราก็จะกํากลับให้มันอยู่กับพุทโธได้มันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอนั่งเฉยๆหดับตามันไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวมันก็สงบต้องพยายามฝึกสติให้มากๆถ้ามีสติแล้ว เวลานอนก็ไปเจ้ากรรมันจะหลับไปก็พูดโธพูทโทไปแล้วเดี๋ยวมันก็หลับก็แสดงว่าหมดสติถ้าไม่อยากให้หลับก็ต้องนั่งแล้วก็พูดโธไปถ้านั่งมันจะไม่หลับแต่ถ้านอนมันสบายสติมันก็จะ <c oughs> แต่เวลานอนไม่หลับนี้ก็ใช้พูดโธไปก็หลับได้ที่นอนไม่หลับก็เพราะมันคิดอ่ะคิดไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยไม่หลับ ถ้าหยุดความคิดได้มันก็จะหลับเวลานอนไม่หลับอย่าไปอยากให้มันหลับยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่หลับบอกว่ามึงจะหลับก็หลับไม่หลับกูก็ไม่ได้ว่าอะไรเพรากูอยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าอย่างงี้เดี๋ยวมันหลับพรายิ่งอยากมันยิ่งยิ่งคิดอยากยิ่งยิ่งเครียดพอคิีดแล้วมันนอนไม่หลับมีใครอยากจะถามอะไรไหม ไม่มีจะให้ความเลยนะต่อไปก่อนจะ น, น, น, น, นั่งก็ได้ยาท้าวาวะฮาปุราปะริปุรเรนติสาครังเอวเมวะอิโตจินังเตตานังอุปกาปติอิชีตังปะทีตังตุมหังคิดเปเมวะสนิจโตสัาเพปุเรนตูสังกปาจันโทปัญระโสยะทามณิโชติ ระโสยธาสัพพีติโยวิวัจามตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาทนสีลิสามิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวทานติอายุวันโอสุขัง พระรามสาธุทุกคนมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมนะขอให้พูดโทรไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าเจริญแน่ๆ<า>อย่าขี้เกียจ